เรื่องอัญญาเดรธีสักยะภิกษุทั้งหลายถ้าสักยะโดยกำเนิดเคยเป็นอัญญาเดรธีมาสักยะนั้นมาแล้วเพึ่งให้อุปสมบทไม่ต้องให้ปริวาสแก่สักยะนั้นเราให้สิทธิพิเศษส่วนนี้เฉพาะแก่โมย่าตอัญญาปุพพากถาจบภานวานที่เจ็ดจบ